ผูอ้อยู่วัดส่งกันบ้านตกใจอาวส ก, กาหลวงพ่อค่ะก็ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติก็เห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะโทสะแล้วก็ฟุงซ่านเยอะอด้วยค่ะฟุงซ่านพอประมาณโทสะเยอ ะ, ะ, ะดรีรู้อย่างที่มันเป็น ดูไปเรื่อยเรื่อห็นจิตมีโทสะเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันเกิดแล้วก็ดับมีแต่ของเกิดดับเกิดดับอยู่ยตลอดนะดูแค่นี้แหละให้ดูอีกจิตยังไม่เข้าฐานสมาธิยังไม่พอยังต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ะจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้พุโทโธไปพุโทโธแล้วพอจิตมันหนีไปแล้วก็ค่อยรู้จะได้รู้เร็วขึ้น อยู่ตัวนี้โตโตเวลาทํารูปแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนลอยอยังไงนี่ใช่ไหหาเชือกมามัดมันกนะ็คือหาอารมณ์กรรมฐานอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรไปพุโทโธอย่างเดียวไม่พอหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโรก็ ย, ยังไม่ไหว หายใจเข้าพูดธหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูทธออกโทรนับสองเพิ่มเชือกหลายๆเส้นขออนุญาตถามค่ะคือเห็นตัวเองขี้โมโหมากค่ะขี้เกียจขี้ช้าทุกอย่างเลยค่ะมันเรารู้สึกว่าตัวเองมันทําไมมันแย่มากขนาดนี้เราเป็นภาวน า, <ด>นาเป็นอะสิภาวนาเป็นมันจะเห็นเราแย่กว่าที่คิดนะ เพรานามไม่เป็นกูดีอยู่นั่นแหละกูดีกูถูกกูเกง่งมันเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แย่แล้วแบบนั่นแหละเพราะนามมันรู้สึกงั้นแต่อย่าไปด่ามันให้ดีใจเมื่อก่อนก็แย่ะนะแต่เราไม่เห็นตอนนี้แย่แล้วเห็นถือว่าดีขึ้นแล้วมันมันสลดมันมันไม่นี่น <laughs> นก็เป็นอย่างนั้นแหลอะอดูมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใจยังไม่มีกำลังพอรู้สึกไหมการปฏิบัติมีสติสม่ำเสมอไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสะสมพลังขึ้นมาพลังมันเต็มมันถึงจะเกิดมรรคผลได้ยังป้อแป้ป้อแป้ไม่เกิดหรอกะนี่บางคนเนี่ยดูปลาดรู้เลยว่าโอ้พอนาได้ดีละพลังจิตมันเยอะมันไม่ใช่พลังอำนาจอะไร พลังของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาศัยสตินี่แหละเรารู้รู้กายรู้ใจไปนะพระทั้งห้ามันก็จะเกิดขึ้นนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อเห็นใจกังวลไหมเห็นค่ะเออน่นละรู้อย่างนั้นนะมันมันมันรู้สึกว่า ตัวเองมันสกรปรกมอมแมมอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันเห็นจริงไหมอะค่ะเห็นเห็นจริงไปดูแต่ไม่ไปด่ดามันนะเมื่อก่อนสกรปรกเราไม่เห็นเราก็จมอยู่กับความสกรปรกนี่เราเห็นแล้วเหมือนอย่างร่างกายเนะนี่ยนึกว่าตัวเองสะอาดอนะไรอย่าที่แท้ไม่สะอาดต่อมาพอเรารู้ทันว่าโอ๊ยร่างกายเราสกรปรกแนละ้วปากก็เหม็นอะไรเงี้ยสมัย มันก็จะแก้ไขได้ถ้าเรารู้ทันจิตใจเราเต็มไปด้วยกิเลสเราถึงจะพัฒนาได้ภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสจะ ไ, ไปสู้ไข่ก็ได้สู้กิเลสไม่ไหวภาวนาแล้วต้องเห็นกิเลสลูกศิษย์หลวงพ่อนะถ้าบอกภาวนาแล้ว<ฮ>สติหนูดีดีนะรู้สึกตัวทั้งวันเลย มันกําลังหลงหลอยู่ที่บอกมันรู้ตัวนะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ตัวจริงนะโห่เห็นกิเลสแย่เลยะแต่มีตัวจริงแล้วก็ปลอมๆปนๆ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยู่ในตัวเดียวกันนะใ้คนเดียวกันเห็นกิเลสอยู่ก็มีหลายแบบพอเห็นแล้วก็ท้อแท้โห่ทาไมเราแย่ลึกเกินนะกิเลสเยอะลึกเกินท้อแท้ใจโอดครวนอะไรเงี้ยเราไม่ทําอย่างนั้น เห็นกิเล<ท>สไปล้วก็เห็นะกิเลสไม่ใช่จิตกิเลสเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอจิตเป็นคนรู้คนดูจิตไม่เคยมีกิเลสหรอกจิตมีกิเลสหลักอยู่ตัวเดียวใ น, นตัวหลงตัวโมหะมันลืมตัวเองก็หมดแต่ไปดูข้างนอกเลยไม่รู้จักตัวเองนมัหล <หอ S 1> งจิตคะ่ะ มาอยู่วัดครั้งแรกน่ะพอะะดีเป็นคนที่กลัวความมืดหน่อยมืดหน่อยก็ต้องอยู่ทุกคนแหละสุดท้ายก็มาอยู่วัดกัน <laughs> จะถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้เออเวลาเรากลัวเนี่ยจะมานั่งนั่งภาวนาเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยต้องนอนนอนภาวนาอย่างเงี้ยผิดผิ ด, ไ, ดไหมคยไม่ไม่คุมค่ะ<อ>แต่ก็นิงน่งอ่ะนิ่งนิ่งเอาเถอะ สู้มันก็รล้วกันอย่ายที่ฐิการภาวนาหัดใหม่ๆมันก็กลัวหลวงพ่อไปภาวนาตามวัดครั้งแรกๆก็กลัวเหมือนกันนะจนกระทั่งได้ครูดีคือหมาเคยเล่าให้พวกเราฟังพระท่านก็หวังดีให้หลวงพ่อไปอยู่หน้าทางเข้าประช้าที่น้ิมมอกมีกุฏิอยู่หลังเลยหน้าประช้าเลยทางเข้าเลย เรานะกลัวแทบแย่เลยไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีเมื่อตื่นตืต่เราอยู่คนเดียวด้วยกุิอื่นให้อยู่ไกลๆกลางคืนแนละ้วเราก็คอยนั่งระแวงกลัวผีมาพอนาไปได้ยินเสียงมันเดินผีมาแนละ้วมันเดินออกมนเดินเข้าปัาช้าไอ้ผีตัวนี้แปลกนะแทนที่กลางคืนจะเดินออกมาจากประช้านะ้วมันเดินเข้าป่าช้านะแล้วปรเดี๋ยวมันเดินกลับมานะ มันมาขบฟันกรอดกรอดกรอดอยู่ข้างกุฏิเราเราเนี่ยใจสั่นเลยเอาวะผีก็ผีขอดูหน้ามันทีนะเปิดมาเป็นหมาหมาไ่เข้าไปในป่าช้ามันไปคาบกระดูกไก่กระดูกอะไรที่คนเข้ามาไหว้อะหรือมันจะกระดูกผีจริงๆไม่รู้มันคาบเปล่านะแต่มันคาบกระดูกออกมามานั่งเคี้ยวนะมีความสุข เราโอ้โหหมาไม่ยังกล้าเข้าเลยนะไหมไปเอาอะไรมากินด้วยนะเรากลัวแทบตายเหงื่อแตกเลยทั้งทงี่หนาวจาัดเอาวะสู้สักทีคนะว้าไฟฉายได้เดินลงจากรุติแนละเข้าป่าช้าบ้างเข้าไปได้สองสามเมตรเนี่ย ก, กลับมาตั้งหลักก่อนเนะนี่ยเข้าไปห้าหกเมตรมาถอยมาเข้าๆ อ, ออกๆนะนึกถึงหมาอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็เข้าไปจนได้นะ ที่หลังได้หลักข้อหนึ่งตอนที่เรากลัวผีเนี่ยเราจะไม่เห็นผีตอนที่เราเห็นผีเนี่ยเราจะไม่กลัวผีนี่เป็นกฎเลยนะอ๋อไม่เห็นเลยเนมะื่อกีาไม่เห็นเลยคะแหละชาตินาก็ไม่เห็นไม่ต้องกลัวหรอกคนจะเห็นหนะมันเห็นปุ๊บปั๊บก็เห็นแล้วมีญาติหลวงพ่อคนพี่พี่ชายคุณแม่ฉีพี่ชายคนโต อยู่บุรีรัมหลวงพ่อเคยไปพาว่าวนะไปพาเข้าไปภาวนาะที่สุรินทร์วัดป่าหนึ่งตีสามลูกขึ้นมานั่งภาวนาะในศาลาแกนั่งยิงถัดหลวงพ่อไปสักเมตรหนึ่งเรากําลังจิตสบายเนละแกกระเด้งขึ้นมานะจากที่นั่งแกดีดขึ้นจากพื้ น, น่ะหล่นตุ๊บลงมาอยู่หน้าหลวงพ่อเลยท่านอาจารย์ ผีหลอกผีหลอกถ้าหันไปดูผีไม่ได้หลอกผีมาเกาเสือขอส่วนบุญเท่านั้นเองแกไม่ได้เห็นตัวนะได้ยินเสียงแกลกแกกแกลแกลอยู่ที่เสือที่ตัวเองนั่งผีมาเกาเสือเนี่ยคนมันจะเห็นนะแป๊บเดียวมันก็เห็นเมื่อตอนช่วงที่มีวิกฤต y น k ี่สจำได้ไหมปี2 0 0พัน 2,543 หนึ่งมกราเที่ยงคืนของวันนั้ น, นคนก็กลัวกันใหญ่เล้จะเกิดวิกฤตอะไรนะหลวงพ่อเาใครก็วิกฤตก็ช่างมันหลวงพ่อพาลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งไปภาวนาที่วัดที่บุรีรัมณ์นี่บนเขามันมีกุฏิสามหลังว่างๆอยู่ หลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์สามคนขึ้นไปอยู่คนหนึ่งคือพี่ชายของแม่ฉีนี่แหละที่กระโดดเสือมาแล้วเนี่ยส่วนหลวงพ่อนะพระท้าให้อยู่กุฏิรับรองกุฏิที่หลวงตามหาบัวท่านเคยมาอยู่กุฏินี้น่ากลัวมากเลยไม่มีฝ้าเพดานมองขึ้นไปนะเห็นขือ่อเห็นคานอะไรเงี้ย จินตนาการได้ดีเลยว่าผีจะมาห้อยขานะแล้วก็พอนานจนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลงนอนก็แว่วๆเสียงมะเสียงขี้เมาเดินเข้ามาในศาลาที่เราพักอะมาตั้งห่งกินเหล้าอยู่ข้างที่เรานอนเลยะเออะเออะใหญ่แล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นไปนั่งอยู่บนคาแล้วมันก็แว่งขา ขามันก็ยืดยืดยืดเข้ามาใกล้เราขึ้นมาทุกทีนะเรานอนอยู่หลวงพ่อชักมโมโหให้คนจะนอนนะจะมาหลอกเลยไม่กลัวหรอกโ น, น้นโน้นไปหลอกคนบนภูเขานู้นนะ <c ười> กาจะให้หลอก <c ười> อีกคนหนึ่งนะอีกคนนะั้น <c ười> ก็ชอบเห็นนอนเห็นนี่บนะอกโน่นนั่นไปหลอกคนบนภูเขา น, นัมันก็เก็บถ้วยเก็บอะไรนะพานไป <c ười> ตอนเช้าหมอก็รีบมาฟ้องหลวงพ่อเลยถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์เมื่อคืนผีมาชวนกินเหล้า <c ười> คนมันจะเห็นนะ่ะทําไง ม, มันก็เห็นอน่ะไอ้คนที่ไม่เห็นหรือคนที่อยากจะเห็นมันไม่เห็นนะ่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจนป่านนี้เรายังไม่เห็นนะไม่ต้องกลัวหรอกชาตินี้ไม่เห็นหรอก กัความมืดออมนะคะจิตเลยคิดไปเองอครับมกลัวมโนโดยคิดเราเองไม่กลัวมันรู้ไปแ ล, แล้วอยากกระถามท่านด้วยว่าเวลาปฏิบัติะจะรู้สึกอึดอัดมากเลยจิตจะแน่นๆน่นบังคับจิตมากไปรู้ไปสบายๆพุทโธไปหายใจไปสบายๆอย่าไปหวังว่าจะสุขจะสงบจะดี อะไรก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เรยรู้สึกไปคืนนี้พอค่ำแล้วนะเอาไฟฉายมาหนึ่งแล้วเดินออกจากกุฏิมานะมาภาวนาที่หลานหลวงปู่เนี้ยนะเอาให้มันหายกลัวมันกลัวที่ไหนก็ไปที่นั้นนะที่วัดเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ผีนะ สิ่งที่น่ากลัวคืองูมีงูมีระดับเยอะเลยงูเห่าก็มีงูจงางก็มีงูสามเหลี่ยมก็มีงูทับสมิงครางูกะปะนะมีหลายงูงั้นเราอย่าไปเหยียบมันงูเหลือมงูหลามอะไรนี่ตัวสี่เมตรนะอ้วนถ้วนใครเอาหมาเอาแมวมาปล่อยนะมันฟาดเรียบเลย ไม่้เอามาปล่อยนะเท่ากับเจตนาฆ่ารู้แล้วเอามาแล้วตายหมดลูกหมาลูกแมวคืนนี้กลัวผีกลัวตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นฮะออกมานอกห้องก่อนน่ากลัวกว่าในห้องเดี๋ยวจะมาบอกหลวงพ่อกลัวตอนอยู่บนเตียงคลุมโปงกลัวมากมกลัวที่ไหนไปตรงนั้น แต่อยู่นอกวัดไม่ได้นะหรือวัดอื่นบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นผู้หญิงมันอันตรายกับตัวเองมาสการหลวงพ่อครับยังเพ่งอยูอ่รู้ไหมครับก็ปฏิบัตบิอยู่ให้จิตนิ่งนิ่งปฏิบัติที่วัดนี่คนเดียวเป็นครั้งแรกนะครับปกติไปที่อื่นก็จะอยู่หลายคนก็เมื่อคืนก็ผ่านได้ดีแต่ว่าอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาที่เราปฏิบัติสมถะเนี่ย เราปฏิบัติไปแล้วอย่างที่ว่าไหลแล้วเรารู้เนี่ยพอมารู้แล้วมันจะทรงอยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็ไหลอีกถูกแล้วก็ทรงอีกถูกทีนี้ถ้าเกิดมันทรงอยู่นานแล้วมันไปตื้ออย่างไงครับจะมีคําแนะนํำยังไงเราก็รู้ทันไปว่าจิตติดนิ่งและวว่านิง่งว่าตื้ อ, อครับรู้ทันไปไม่ต้องไปคิดนํานะครับครับของโยมไม่มีปัญหาไม่ถึงระดับต้องคิดนำํำเพราะโยมเป็นพวกปัญ ญ, ญาเยอะ ใจมันพร้อมจะฟุ้งซานอยู่แล้วล่ะครับนะงั้นไม่ต้องไปคิดนำพวกคิดนำคือพวกซื่อบื้อะขแค่ให้รู้ทันไว้เออขอบคุณรู้ทันเท่านั้นแหละทำอย่างนี้ต่อไปถูกเลยใช่ไหมครับถูกครับจิตใจดีนะมีเคลียวมีแรงพอนาใช้ได้อยู่แต่ว่ามันควบคุมบังคับจิตใจตัวเองแรงไปนิดนึงนะให้คลายออก ทำไมเราต้องคลายเราไปเพ่งแรงๆไม่ได้เพ่งก็เหมือนเอาเชือกไปมัดจิตเนี่ยกระดูกกระดิ่งไ็ได้นิ่งอยู่่างเงี้ยปล่อยซึ่มันจะได้โซนจิตเหมือนเด็กกปล่อยให้มันสซนเราจะได้รู้นิสัยมันว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่างเวลาเราจะดูจิตดูใจนะปล่อยเป็นตามธรรมชาติแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงไอ้คนนี้ขี้โมโหอะไรเงี้ยเราจะรู้ไอ้คนนี้ชอบฟุ้งซ่าน อันี่โลภมากเนี่ยจะรู้ตัวเองเนี่ยถ้าเราไปเพ่งอยู่มันไม่แสดงอาการและอีกประเด็นหนึ่งครับหลวงพ่อถ้าเกิดเราเราทรงอยู่ได้นานแล้วเราจะเป็นกําลังที่ไปสู่วิปัสสนาได้ยังไงถ้าทรงอย่างขณะที่ทรงตอนเนี้ยใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เออครับมันมันนิ่งอยู่างเงี้ยดูออกไหมครับหลวงพ่อจูนให้เท่าเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะดูให้ทันอย่างนี้แหละขอบพระคุณครับไม่ใช่เรื่องยากหรอกภาวนาพยายามรู้สึกไปรู้สึกไปดูจิตดูใจก็อย่าไปบังคับมันให้นิ่งปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพนะมีแม่ทับคนหนึ่งมาเป็นผอ ระดับโตเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พอบอรสุขมาแล้วบอกว่าเนี่ยมาเล่าผมเป็นคนเข้มเข้มงวดนะก็ะทังลูกกระทั่งเมียก็เข้มงวดทุกอย่างต้องมีระเบียบทหารในกองพลของผมก็เรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยหมดเวลาผมเดินเข้าไปในกองพลนะทุกคนเรียบร้อยหมด งันผมภูมิใจทหารของผมดีมากบอกว่าอย่าเดินให้เขาเห็นสิถ้าอยากรู้ตัวจริงของลูกน้องอะนะแอบดูมสิอย่าให้มันรู้ว่าเราอยู่นะแป๊บเดียวเราก็จะเห็นตัวจริงจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราคอยบังคับคอยควบคุมนะมันไม่แสดงความจริงให้เราดูมันก็จะเฉยเฉยอยู่นั้นอนะถ้าปล่อยให้มันทางานไป ให้เป็นธรรมชาติมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจกระทบความคิดนึกไม่ใช่ห้ามคิดพอกระทบอารมณ์ทางทวารทนะั้งหกแล้วใจมันจะกระเพื่อมบั่นไหวขึ้นมาฟูบ้างแฟบบ้างนะเราก็คอยรู้คอยดูไปจะเห็นว่าไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดของโยบต้องปล่อยที่ล็อกไว้นะไม่งั้นมันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งนอกๆมันไม่เห็นจิตเปลี่ยนแปลงดูออกไหมร่างกายไม่ใช่เราอะไรเงี้ยดูได้แต่ไอตัวเนี่ยไอตัวที่เป็นคนดูนี่มันเป็นเราชัดๆเลยงั้นอย่าไปรักษามันใครจำเป็นจะคุยอย่หลวงพ่อขอที่จำเป็นจริงๆนะหลวงพ่อพูดเยอะไม่ได้หมอมาเฝ้าอยู่ทั้งหลายคนน่ะ นู่นส่งไมไปหลังสุดเลยส่งไมไปอยู่ข้างหลังสุดเลยนะั่นใจลอยไปแล้วนะเพ่งไปใจลอยไปเล่นทั้งสองอย่างเลยแสดงฝีมือนำ้ำมสกาหลงพอครับขอมาหน้านหน่อยอยู่ที่ไหน ว่าไปพอวนาใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับที่รู้สึกว่าใจเป็นธรรมดาครับก็เลยลทำทากรรมาฐานมาเลยครับั่แหละใช้เดินแล้วก็สวดมนต์ไป เ, ออเรื่อยครับรู้สึกกายรู้สึกใจเออนั่นแหละดูไปครับจิตมันเดินถูกแล้วละ่ะรู้สึกไหมสมาธิมันก็ส่งตัวขึ้นมาครับผมจิตมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาไป เวลาเราเดินปัญญามันก็จะสลับบางทีมันก็เป็นสมถะบางทีก็เป็นวิปัสนาอย่างตอนที่เราเห็นร่างกายเดินเนี่ยเป็นสมถะตอนที่เราเห็นว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราครัเนี่นก็เป็นวิปัสนาที่ทําอยู่ถูกแล้วละไม่ทำอีกแล้วมีบางช่วงที่ภาวนาแล้วมันมีเหมือนความรู้สึกร้อนที่ที่กลางอกอย่างเงี้ยครับก็ดีดีกว่าหนาว ก็แค่ดูไปใช่ไหมครับก็รู้ไปหน้าเนี้ยร้อนไหมอะดีหลวงพ่อยังอยากร้อนเลยหน้าอก เ, ย, เย็นนครับขอประคุณกับอยากร้อนเยอะๆก็มีกิเลสให้เยอะไหมร้อนไฟราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะดูออกไมห่หนุ่มกิเลสอะไรของเราเยอะอืม ไม่แน่ใจครับอะไรนะไม่แน่ใจครับเหร อ, อตัวไหนอะสันนิษฐานว่าตัวไหนไม่รู้ <c oughs> รครับไปหัดดูเอาครับกราบนมัมสการเจ้าค่ะเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อว่าไปเดี๋ยวไปบังคับจิตนะ ตเต้นแล้วไปกดมันเจ้าค่ะปีที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อมีเมตตาให้ดูที่บังคับจิตนะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปล่อยให้เป็นธรรมชาติโยมก็ไปปล่อยแต่ไม่ทราบว่ามันดีขึ้นนะแต่มันยังปล่อยไม่หมดเจ้าค่ะอน่างขนาดนี้ใจเราไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมดูออกเจ้าค่ะแต่อันนี้เป็นเป็นข้อยกเว้นนะ ก็บบว่ามันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเลยบังคับไว้<จ>ตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อใจมันเคลื่อนไหวได้มากกว่า น, นี้ก็โอเคแล้วละ่ะโยมปฏิบัติเดี๋ยวบอกอีกอย่างเดี๋ยวหลวงพ่อลืมยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะเจ้าค่ะเะงั้นพยายามมีเครื่องอยู่ไว้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้เจ้าค่ะใจจะได้ไม่ฟุ้งแล้วง่ายอีกโยมอยู่กับพุทโธ ทั้งวันเจ้าคะ่ะก็วิ่งอยู่ทั้งวันก็เห็นที่ไหลแล้ว ร, รู้ไหลแล้วรู้<ร>คอยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดน ะ, ะเราะใจเราแอบไปคิดว่องไวมากเลยบางครั้งวัยมากจนจนเหนื่อยอะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นแทบทั้งวันเจ้าค่ะเหนื่อยแล้วก็ไม่ดูจิตเหนื่อยแล้วก็มาพุโทโธเล่นเล่นพักผ่อนเจ้าค่ะพ อ, อพอมีเรี่ยวมีแรงหายเหนื่อยแล้วก็พุโทโธไปดูจิตไป บ, บ้านเจ้าคี่แหละให้ละนะสมาี่เรายัางไม่พอใจเราฟุ้งเก่งนะขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็อย่าไปบังคับมันพอฟุ้งมากอยากปฏิบัติก็เพ่งมากเป็นทุกคนแหละถ้าค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปฟุงเรารู้ฟุ้งเรารู้อีกหน่ะก็ไม่เพ่งอดทนนะอดทนไปปฏิบัติเราเจ้าค่ะ กับนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่นี่ค่ะค่ะเอาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็มีมีสองคำถามเห็นไหมใจมันฟุ้งซ่านเก่งเก่งมากค่ะนะมีมีฟุ้งซ่านกับโทสะที่ชัดมากค่ะเก่งกเก่งที่ดูตัวเองออกก็คือ เพิ่งปฏิบัติมาประมาณสาปีน ะ, ะ้ะ<ม>ก็ผ่านทางซีดีกับ YouTube หลวงพ่ออย่างเดียวค่ะ<ม>ทางบ้านเนี่ยไม่มีใครเข้าวัดก็เลย<ม><ม>ทำเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าไกลครูบาอาจารย์คงต้องใช้โยนิโสมนสิการ<ม>ูตัวเองค่ะ<ม>ก็ปีปีแรกที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าเห็นพัฒนาการตัวเองชัดมากมเห็นสภาวะสนุกกับการปฏิบัติเนี่ยค่ะแต่แต่ปีปีนี้ค่ะค่อนข้างเห็นว่าบางบางครั้งจมไปกับ กับอารมณ์เยอะ<น>เหมือนกันเหมือนเหมือนว่าจะเห็นแต่ก็เหมือนเหมือนคงเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าจิตเข้าไปเสวยอารมณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจก็จมอยู่มันเนี่ยค่ะสมาธิเราไม่พอจิตเป็อะไรไม่ตั้งมัน่นขึ้นมาเป็นคนดูอ ม, มันลงไปแช่อยู่กับอารมณ <Janet. S 2> ์ก็ต้องหมายถึงว่าอันนี้คือตกทางไปเยอะไหมคะหรือว่าคือต้องทำสมาธิเพิ่มสมาธิขึ้นก็หายแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทัอะไรก็ทําไปเรื่อยๆนะ ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินปัญญานะยังไม่ห่วงเรื่องปัญญานะหายใจเข้าพูดออกโทรอะไรหรือทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปแล้วก็ไม่ใช่เพื่อความสงบทํากรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวลงไปนะแล้วก็จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ค่อยรู้ไปอย่างเงี้เดี๋ยวจิตมันจะมีแรงตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะแล้วค่อยเดินปัญญา ม, มีข้อนึงค่ะ เป็นเนี้เปิดธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่ามีจัดการกับพนักงานบางบบางบางงประเภทที่ทําให้เราเห็นโทสะตลอดเวลาเนะะี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภายนอกเนี่ยไ ม, ไม่ได้ทะเลาะ ก, กันแต่ว่าในาใจเนี่ยมันเห็นโทสะที่มันขึ้นตลอ ด, ลวดเวลาดีแล้วละ่ะแล้วก็พยายามจะใช้ทุกอุบายที่ททฟังในซีดีมาว่าจะจํากัดมันยังไงกําจัดมันยังไงก็หลวงพ่อบอกว่าจะสู้กับโทสะต้องจเจริญเมตตาอืแล้วก็รู้สึกว่าลองดูแล้วแล้วก็เอสงสยัยฉันก็ ไม่มีเมตตาค่ะคือหลวงพ่อเมตตาสอน <ün> ด้วยว่า <ร ün S 1> ต, ต้องจเจริญเมตตาตัวเองก่อนสงสารตัวเองก่อนเวลามันโกรธ่ะจิตใจไม่มีความสุขพามันดูอย่างนี้เลยนะโกรธทีไรแล้วคนแรกที่ทุกข์คือตัวเองดูอยเางนี้มันจะเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้แล้วต่อไปก็เมตตาคนที่เรารักนะค่อยๆฝึกต่อไปก็เมตตาคนที่เราเฉยๆ แล้วต่อไปเมตตาศัตรูแล้วจบบทที่เมตตาศัตรูเนี่ยเก่งแล้เมตตาตัวเองนี่ง่ายที่สุดเพราะเรารักตัวเองที่สุดอะแต่เราชอบลืมมันเวลาโกรธไปดูให้ดีเลยใครทุกตัวเองทุกนะดยอย่างเนี้ไปโกรธที่ไรทุกทุกทีโกรธที่ไรทุกทุกทีดูไปเรื่ <ไป S 1> ยอยๆทีหลังแล้วเราจะเมตตาตัวเองเหรอคะเออ มันจะเมตตาตัวเองออบางทีมันเหมือนมันด่าตัวเองว่าแบบอุ้ยทฤษฎีก็เยอะนู้นนั่นนี่ทําไมถึงเวลาสอบตกตลอดเลยไอ้นั่นมันมีมมโทสะมันไม่ได้เมตตาตัวเองเมตตาตัวเองต้องดู <S <S โหมันน่าสงสารนี่นเลยดูไปมันน่าสงสารน้ำมาสการค่ะหลวงพ่อขออนุญาตนะคะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะอยู่ที่ไหนยกมือยกมือกล่าวามา ก็คือช่วงไหนที่มีกิเลสแรงๆนะคะเราจะเห็นว่าจิตกําลังปรุงนะคะพอปรุงกิเลสไปปั๊บจิตก็จะเห็นว่าอารมณ์กําลังเกิดอารมณ์โกรธกําลังเกิดพอเรารู้ว่าอารมณ์โกรธกําลังเกิดเนี่ยจิตก็ไปเห็นและจิตอารมณ์นั้นก็ดับอืดับไปต่อหน้าต่อตานะคะและความสุขนั้นก็จะโชยขึ้นมาอย่างแผ่วเบาอถูกแล้วนะ่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สอง ก็คือช่วงไหนที่กิเลสแรงๆเราก็จะเห็นเห็นว่าจิตมันดิ้นนะคะอืมดิ้นขุกขักคุ ก, กคักขูกขักเหมือนมันอยู่ในขวดโหลนะคะอืเรื่องที่สองอเรื่องเรื่องที่สามเมื่อประมาณสิบสามปีที่แล้วนะคะหนูเห็นตัวทุกข์ทุกข์มากเห็นก้อนดําๆอยู่ที่กลางอกนะคะอสองอาทิตย์ออื เวลาหลับก็เห็นตื่นก็เห็นนอนก็เห็นค่ะเห็น <He S 2> แล้วหนูก็วันนั้นเดินไปที่หลังเลิกงานเดินเดินไปที่กลางถนนนะคะแล้วหนูก็ทําไมทุกจังเลยทุกนักทุกหนาทุกจุกอกนะคะอืแล้วหนูก็ดูไปที่ตัวทุกปรากฏว่าทุก น, น, นั้นนะคะหายไปต่อหน้าต่อตาระเบิดอืระเบิดเหมือนคนที่จุดบรรทัดอยู่ข้างหูนะคะอื แล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เข้าไปดูอีกทีว่าไอ้ตัวทุกข์นี้ยังอยู่อีกไหมปรากฏว่าทุกข์ที่เห็นเมื่อกี้ก้อนทุกข์ที่อยู่ดำๆกลางอกนะคะหายสลายกลายเป็นเหมือนควันไฟอะคะ่ะแล้วก็พอควันไฟสุดท้ายที่มันจางหายไปแล้วหนูเข้าไปดูว่ามันยังอยู่ไหมไอ้ก้อนทุกข์ปรากฏว่าไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่า ความสุขที่เกิดขึ้นะสุขมากสุขสุขสุขเลิศเกินค่ะสุขมากทีนี้ความสุขถ้าเปรียบเทียบว่าเอาแก้วแหวนเงินทองสิบคันรถมันทุกเพื่อที่มาแลกกับความสุขที่เราสัมผัสได้ค่ะความสุขนั้นะ แก้วแหวนเงินทองนั้นนะมีค่าเปรียบดังหนึ่งซ้ายในหนึ่งกำมือนะคะหลวงพ่อเมื่อสิบสามปีที่แล้วหลังจากนั้นหนู ม, มีมีครอบอครัวมีลูกหนูก็เลยทิ้งการปฏิบัติเพิ่งมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากลูกช่วยตัวเองได้ค่ะคือเป็นแบบนี้ค่ะไปภาอนาอีกนะยังไม่พอสะสมไป มันมีของเก่าแหละมันถึงทำได้ได้แต่อายุยังน้อยค่ะนี่พอเราไปยุดวายอยู่กับโลกมันก็เสื่อมไปมันยังไม่เป็นโลคุตระเราก็ทำอีกสะสมไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะหลวงพ่อเออนี่คนสุดท้ายแล้วอดทนไว้หลวงพ่อบอกตัวเองต่างหา <c oughs> <c oughs> ส่งไป ม, มาข้างหน้ามาไก่ตัวนี้เสียงดังดัง น, นมัสการนรมัสการครับหลวงพ่อครับก็คือว่าตอนนี้จะขอส่งการบ้านก็คือว่าแต่ก่อนเนี้ยคือฝึกก็คือฝึกเป็นสมถะในการเพ่งแต่ตอนเนี้ยพอฟังหลวงพ่อเรื่อยๆ เ, เรามาทําเป็นตัวรู้ดู ซึ่งมันก็จิตใจเบาขึ้นเลยอยากจะถาเพ่อว่าอันนี้ผมทำถูกต้องหรือต้องปรับปรุงไหมครับผมพ่อครับดีจิตที่เป็นผู้รู้นะเป็นจิตที่เป็นกุศลเรียกว่ามหากุศลจิตลักษณะของจิตที่เป็นกุศลอนะเบารู้สึกไหมมนันเบารู้สึกไหมมันนุ่มนวลขึ้นไม่ใช่แข็งทื่อๆของโยมจิตจะแข็งทื่อๆชอบบังคับเะนั้ยังไม่เป็นกุศลแท้นะ อย่าไปบังคับมันจิตจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวขยันในการรู้สภาวะแล้วซื่อตรงในการรู้สภาวะของคุณยังไม่ครบดียังขยันบ้างขี้เกียจบ้างไปขยันดูบ่อยๆนะมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงาน เห็นความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเห็นร่างกายมันทำงานเชื่นงไหวใจเป็นคนรู้สึกมีผู้รู้เห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไหลมาไหลไปใจเป็นผู้รู้เห็นกระทั่งตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปฟังเนีดูอย่างนี้ไปเรื่อย สุดท้ายไม่จะเห็นเลยนะทั้งขันห้านะทั้งรูปนะทั้งเวทนาสัญญาสังขารทั้งจิตตัวบิญญาณเพราแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเหมือนกันหมดเลยนะใจก็จะเข้าถึงธรรมะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงดอกต้นะอสะสมไปนะเชิญกลับบ้าน